ทำกันแต่ชาบางทีลราก็ไม่ได้มาแล้ะเดี๋ยวในสุขภาพก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ <c oughs> อาศัยกันช่วยด้วยเองตอนเช้าออกโยคะนั่งฉาบ จึงให้เวลาแจกตัวเองในตอนเช้าบ้างแต่ทีพวกก็ไม่เคยได้ลงกับหมู่สงงานเป็นแรมปีที่สองแล้วแต่ว่าจำได้สิื้ขาบทไม่เรือใบหลง ที่ต้องอาบัติต้องด้วยไม่รู้ต้องต้องด้วยไม่ละอายต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำลงไปต้องด้วยสำคัญบาควรในของที่ไม่ควรต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ควรต้องด้วยเรื่องสติการที่จะต้องอาบัตรตกตนี้ที่เตียน ผมก็จําจได้ไม่ลืมไม่ห่าลังเกียจตัวเองขอบอกโกมิจูตตต่อพวกเราที่นี่ด้วยกะว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือสติผู้ดใดมีสติดีก็เรียกว่าพ้นนิสัยมุตะกะได้ไปคนเดียวได้ ผู้ใดยังไม่มีจิต ด, ด, ดีก็ต้องอาศัยหมู่มิตรคอยเป็นแบบจบบับคอยดูคอยเอี่ยงหูฟังคอยทำตามบางอย่างก็ไม่ได้พูดทำให้ดูเชินพระอาจาคิเดินมินท บ, บัตให้ดูพ็สร้างศรัท ธ, ธาได้ไม่น้อย เอาคนรัติอื่นมาเป็นผู้นับถือพุทธจสนาได้อสคิีนี่เป็นควรว อ, อ, อาจารย์สาธุบุตนะอาจาถ้าอาจารย์สาธุบุตรนี่เป็นอ า, า, า, าคาราสาวกไฝขวาอะไฝไหนล่ะฝ่ายใช่โมกันละเป็นอาาาาคาราสาวกไฝขวา เป็นผู้ที่ทำให้พุทธจักรนะหนักแน่นาอาสาลริบ์อยู่ที่ไหนพุทธบริจัตก็มั่นคงงมกลาอยู่ที่ไหนพุทธบริจัตก็มั่นคงสำหรับพ่าโนน เป็นที่สร้างศรัทธาได้มากโดยเพราะพิกจุนีเนี่ยอนนท์เนี่ยถูกนิ้มนวับ่อยไปสอนพิกจุนีทุกวันไม่ได้มาร่วมทำวัดแบบนี้นะพิกจุนีก็ต้องมีพิกจุนีเป็นผู้นำานมนพระอานนท์บ้างไปเทศนาสั่งสอน พระบางรูปอยากไปสอนนางภิกษณุณีแต่ว่าอาบัตไปไม่ได้ผู้ไม่ถูกสมมุติจะไปสอนนางภิกษุณีไม่ได้ต้องสมมุติก่อนสมมุติคือให้อง์นันไปให้องน์น่ไปอย่างนี้เพราะภิกษุณีนี่มีศรัทธาเยอะถวายอันนนท์สวายอนนี้เป็นถึงทุกวันนี่แหละ ผู้หญิงสร้างกติหลังสวยๆออกมามไม่แต่ผู้หญิงกั่นะ่นมันสร้างไว้สําหรับพระนี่มีแต่ยานทุ่งสร้างท <c oughs> ํากติก็ทํา ก, ต, ากติบันไดลีงเห็นกติบันไดลียงไหมเคยเห็นไหมลราก็ขึ้นไม่ได้เรากลัวจะตกเดี๋ยวเพระหนุ่มๆขึ้นได้บันไดลีงไปดูแถว เวทุกวันสามสี่ห้าหลังมันได้เรียงข้างหน้า น, นี่ก็พูดเป็น <c oughs> อดีตเลยเพราะว่า เช่ อ, <c oughs> อว่าอาจารย์วหวนหลวงพ่อหวนเป็นคนนำพาไปปลูกไปยันติ๊กบ้านเข็งหนักปลูกป่กาปลูกป่าดักไปเลยรลองรอยของรอยมือของเจติกเป็นกำลังใหญ่มาเสริมมาสร้างถ้าปลูกต้นสีเขียดลอกกวนแพงได้โอ้ยดีที่สุดเลย ลำดวนปลูกตามถนนหนนทางสองข้างทางกระถินเทพาปลูกแปลงที่เตรียมไว้ด้นานที่ใต้เฉียงตะวันตกสำหรับที่นี่หลังเห็นโค้งนะ่ะหลวงพ่อจะลงเองตวเนี้จะลงไม่ผลต้นมะตูมจันตูมหามาไปเสียดาย เีนี้คนเราไปปลูกเกือหมดแล้วใบคนหน่อยคนคนหน่อยคนหน่อยคนหน่อยเลยขนมาให้สักวันหน่งมาซ่อนไว้ทีน่นี่ถ้าไม่ใช่นั่นจะหมดแต่อันนี้ก็ช่วยกันมีเหมือนกันสมัยข้าพระพุทธเจ้านะที่สุบางลูกมาปรนาต่อมูสง ภากติใครรั่วบอกผมด้วยผมจะไปซ่อมให้คีรอนใครจืดจางแล้วไม่มีสีจะบอกผมด้วยผมจะยอมให้จะโนงน้อนทางต้นไม้ร่มทับกติอยู่ที่ไหนบอกผมผมจะไปช่วยก็หลายรูปที่เสนอรับใช้หมู่สง์สมัยข้างพุทธเจา้า ก็เพื่อเพื่อเผื่อแผ่โตกันและกันนอกจากนั้นก็เป็นเจ้าที่การต่างๆเจ้าที่การเนาสนิมาณนะถ้าใครมาเป็นทุรลพาไปอยู่กติหลังโน้นหลังนี้เจ้าที่การครั้งมีชีวอนมีบาดมีแปลงสีฟันยาวสีฟันจช บ, บูไปเหยย ถ้เป็นเจ้าจิการขังสองเดือนนี่ก็มีจันตุ้มจานโนดจานตุ้มนข่องแก้วจานโนดก็ขงแก้วเพราะบัณฑิตตุ่มจบจากธรรมศาสตร์มาออกมาบวชเลยไม่เป็นรับเป็ญญาบัตดพ่อแม่อยากจะไปถ่ายรูปเป็นโนศนไม่ได้ไปถ่ายเลยเขาส่งมาให้ที่บ้านเรามาบวชไม่ศึกเลยยังไม่ศึกพระ กรรมฐานแม่ไก่ก็จันทรเทพมันเท็กการทรงศีิจานวัฒชัยจยันทุ้มหลายรูปแม่ไก่กกไข่ไม่ใช่แม่เป็ดเราดูแลกันเป็ดนะมันกกไข่ไม่เป็นไข่ทิ้งไปเป็ปกรรมฐานแม่ไก่กกกันโ น, น่นเบ็ดหวันโน่น อาจารย์ใหญ่อาจารย์ก ร, รเทพก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะมีอะไรทไําไหมถ้าไม่ทำเขาจะเอาพระไปปฏิบัติธรรมที่เวรุวันรวมกันบางเวลาบางเวลาก็บอก ว, ว่ายังมีแต่ปูกต้นไม้แหะที่อยากให้ปลูกต้นไม้เจ็ดเดือนนี้ก็ปลูกมาแล้วสองวันแล้ว แต่ว่าก็ยังเยอะอยู่เพราะในกรรมฐ า, านแม่ไก่เรายังที่จะพึ่งพาอาศัยกันเป็นผู้นำเป็นแบบฉบับเป็นครูอาจารย์เรียนตามข้อก่อตามครูไม่ขาดแคนเรียกว่าบุคคลและจัมปะยะมีผู้บอกเป็ผู้สอนไม่ธรรมะสัมปะยะครูผู้บอกผู้สอนก็ มีทมไม่ใช่ทิ่งควา่างที่ชัดเจนอาหารสัพพะยะแม่ครัวแม่ขี้เป็นคนช่วยกันเสนาสัพพะยะก็มีขึ้นอยู่อาศัยตามทุกวนแจ่อัตภาพของเรา แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมทุกวันนอกจากนั้นเราก็ช่วยตัวเองให้มากกว่าคนอื่นช่วยเราทุกเวลาคนอื่นอาจจะช่วยเราเป็นขั้นเป็นข่าวแต่ตัวเราเนี่ช่วยเราทุกนาทีทุกวินาทีอย่ า, ห า, ยาให้มันหลงไปกับอาการทางกายทางใจให้มันลู้อยู่เสมอนะ รูดจิกตัวรูดจิกตัวสร้างเอาทําให้สร้างมันไม่มีนะอันตัวรูดจิกตัวนะความหลงมันเป็นเจ้าเรือนมานานแล้วกายเราใจเราเหมือนกับเก้าอี้ความหลงนั่งอยู่ก่อนตัวรูปมานั่งใหม่ยึดด้วยความชอบทำแต่ยึดได้บ้างไม่ได้บ้างัวหลงก็มาแย่งใบบ้าน ทางกายทางใจทางกายก็มีหลายใบตูตาหูจมกูกลิกลกลกลก้นรูปรสจินเสียงทางใจมีอารมคิดนึกมันรับใช้ความหลงกายก็รับใช้ความหลงจิตใจก็รับใช้ความหลงวันนี้จึงเอาแบบเจ้งแบบกแบบวางแบบไก่ป่าแบบแง่จะพูดถึงได้จะทำจึงได้ให้หละเลึกได้ เสียก่อนจึงพูดจึงทำจึงคิดขณะที่พูดที่ทำที่คิดก็รู้สึกตัวอย่าอย่าพูดถ้ามไม่รู้สึกตัวเหมือนพระมกคลาดถามพระพุทธเจ้าพระโมก ok คนะลาดเนล่รักผู้หญิงหร ใช่ไหมเศร้ากระดนะัละม่วงเหงาห่อหน้องไปทำยังไงจึงจะไม่มีผู้หญิงในฝันรักผู้หญิงเห็นคนนั้นก็ชอบเห็นคนนี้ก็ไม่ชอบติดหูติดตาพระพุเจ้าก็ว่าว่าไม่ดูไม่เห็นเฉยเลยเป็นการดีนะถ้าเห็นแล้วไม่พูดเฉยเลยเป็นการดี ถ้าจะเป็นต้องพูดต้องพูดแบบมีสติทุกเมื่อทุกคำไม่พูดพรม่มหัดตัวเองอย่างนี้โมฆะ ก, ก็ปฏิบัติตามได้ประโยชธรรมบ้านยอย่าปล่อยมีขอบมีเขตมีรั่วล่อมขลายล่อมหวาจารล่อมใจของเราไว้บ้างเรียกว่าธรรมวินยัยธรรมเวนยัย ถ้าเราหัดมันก็มันก็เชื่องได้เชื่องได้ชีวิตเราก็ต้องถูกหัดใครหัดก็ไม่เจียงเท่าเราเราหลงเราก็ให้มันรูน้ขนาดที่มันหลงนั้นเท่านี้การปฏิบัติธรรมมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้รู้ไว้อย่าไปตามความรู้ที่มันเกิดขึ้น บางทีมันเกิดสุขบางทีมันเกิดทุกข์บางทีมันเกิดลู้บางทีมันเกิดไม่รู้บางทีมันเกิดสงบบางทีมันเกิดไม่สงบก็เห็นมันรู้มันความรู้จากตัวแต่มันเป็นกลางมันเป็นมัดมัดชิมาหรตรงไหนบางคนมาถามว่ามัดชิมามันอยู่ตรงไหนเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงยืนนอนอยืนกี่ชั่วโมง วันหนึ่งเพื่อจะหามัชชิมาจะเอานอกจากกายจากใจมาเป็นมัชชิมาไม่ได้มัชชิมาคือมีสติมันสุขก็เห็นมันสุขเนี่ยวันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์เนี่ยเรียว่ามัชชิมาเป็นกลางไม่ซัดฝั่งซ้ายไม่ซัดฝั่งขวามันรู้ก็เห็นมันรู้มันไม่รู้ก็เห็นมันไม่รู้ คนหลงก็เห็นมันหลงขณะที่รู้ดัวอยู่นี่ก็รู้อยู่นี่ไม่ไม่ไปติดกับลายเรยว่ามัชมาเดี๋ยวมักองมักหรืออย่างนี้ไม่ใช่ไปเอาอันอื่นมาเป็นกฎเจนเราเป็นกฎเจนเองเราอยู่เป็นมักไหมวันหนึ่งมักคือดูเนี่ยดูแลเห็นเห็นแล้วอยากเข้าไปเป็นกับมันนี่เรียกว่ามักนะ ดูแล้วเห็นเห็นแล้วอย่าเข้าไปเป็นกับมันเป็นมรรคถ้าไปเป็นไม่เป็นมรรคแล้วเอ็นไปทางซ้ายเอ็นไปข้างขวาซ้ายสุดขวาสุดไม่ใช่เป็นมรรคสติเนี่ยทำไม่เป็นลงมรรคมรรคที่เกิดจากการดูการมีสติเนี่ยมันไปเรื่อยไปเรื่อยสู่มรรคสู่ผล อย่างที่หลวงพ่อพูดวันก่อนทัศนานุตตะลิยะเห็นนั่นอะไรละ่ะเห็นทุกอย่างนั่นแหละในการในใจเราถ้ามันใช้ให้เราดูก็เห็นปฏิปทานนุตตะลิยะเกี่ยวข้องกับความเห็นอย่างไรมีสติไหมอย่าด่วนไปอพอใจและไม่พอใจกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ฟังสิ่งที่ได้ คิดขึ้นมาอย่าไปพอใจและไม่พอใจเห็นซะมีตัวลูสจกตเตสจะเนื่อปฏิปทาขณะที่เห็นก็มีปฏิปทามักดำเนินอยู่ผ่านไปได้แล้ววิมุตตานุจริยะก็คือพ้อนไปสิ่งที่เห็นเมื่อกี้นี้แล้วพ้นไปแล้วมาถึงสติแล้วเป็นแดนสุขาเป็นแดน ประตูทำแล้วทำมีสติเข้าประตูทำได้แล้วไม่ไม่ออกประตูแล้วสางเายก็มีสติก็มีตั้งใจก็มีมีสติก็มีมีแต่รู้แต่รู้ตัวรู้เนี่ยตัตัวพุทธะเข้าถึงตัวรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดจากตัวนี้เกิดจากตัวพุทธะไม่ใช่เป็นคำพูดพุทโธพุทโธ อะไรที่เป็นคำพูดแต่ว่ายังไม่เป็นพุโทโธจริงๆพุโทโธจริงคือรู้สึกตัวนะอยู่มีกับเราทุกคนทุกแห่งถ้าเป็นหน่อโพธิก็เป็นโพธิเป็นต้นโพล้อโพโคปีนี้ อ, อาอจารย์ทรงสินทำต้นโพมาจากพุทธกยาสี่ต้นมาปลูกไว้ เห็นโค้งใะอยากเขียนโพพุทธกิยาไปดูได้แต่ว่าต้นยังเล็กอยู่ว่าจะเขียนเรื่องโพไว้กำลังว่าจะเขียนอาจารย์ท่าศิลว่นยเขียนเขียนยังไงอยากพังไหมกีน้อยอันต้นโพโสภาพึกษาพพุทธ จงยั่งหยุดชั่วหยาบบาปน้อยใหญ่สร้างสติเอาไว้เพิ่งพาบูชาโผเคยขียนไว้กับต้นโผนะสร้างสติเอาไว้เพิ่งพาบูชาโผถ้ามีจิตใไม่ที่เพ่งแล้วบูชาโผโผที่คือปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาออกจากทุกข์หลุดพ้นได้ทุกทุกเครื่องเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ย สบายมากเลยพวกเรานะ่ได้หลักได้ฐานได้แบบฉบับไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปตัดพระพุทธเจ้าตัดไปดีแล้วพระ ธ, ธรรมคาสอนไม่ใช่ของพุทธเจ้าพระ ธ, ธรรมมันมีมากรพระพุทธเจ้าเป็นผู้เหตุความูลเรือพุทธโธพุทธโธเกิดขึ้นในเป็นเดนโธ พอมาสอนคนอื่นรู้ตามเลยวสัมมาสัมพุโทโธมาสอนปัญจวัคคีย์คนทันยะรู้ว่าปะพัติยะมหานามอาอสฉิรู้โอ้ห้าคนรู้พระพุทธเจ้าก็เลยเพิ่มไปอีกว่าสัมมาสัมพุทิธเป็นผู้สอนคนอื่นให้รู้ตามถ้าสอนคนอื่นไม่ได้เป็นแต่เพียงตัวตัวเองรู้เอาเองอันนั้นเป็นพุท ธ, ธะ เป็นพุทธเฉยๆเรื่องเป็นครูของเราแล้วบรมครูด้วยนะหอยใจเดียวสำหรับหลวงพ่อไม่มีอะไรอื่นแล้วไม่มีใครที่ไหนจะมาบอกความจริงเหมือนหลวงพ่อปุรันก่อนนั้นว่าเพื่อนอาจารย์พุทธสว่าไม่มีสาวงามไม่มีหญิงงามมาผ่าน บ้างหรือหมายถึงจิตใจที่เห็นที่คิดถึงหญิงงามสาวงามทั้งหลาอาจารย์พุทธพูดว่าเ ร, รามีสาวงามเหมือนกันแปดหมนสีพันนางหมายถึงเห็นเห็นมันความไม่เที่ยงกัสาวงามมาแล้วมาบอกเราอาหารการเจรืง่งนู่นเครองห่มก็สาวงามอย่างเราว่าเมื่อกี้เนี่ย เ่ออ่ า, อายะถาไปจังไปวัตตมาลังทายมัตมเตเมเวตังยะติทงังกีวัลังตะทุปโพัญญะโคจัปกุกัโลจริงเหล่านี้นี่เป็นสักวาาัฏทัศเนี่ยสาวงามบอกเราแล้วตะุปโภพัญญะโคจัปกุกัโลเป็นจักวาาัฏทัศตามชาติฉนากําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่นี้ ยะที่ทางเกี่ยวหลังเอามานุ่งมาห่มเป็นจากแต่ว่าแต่ก่อนผ้าก็ดีสะอาดบริสุทธิ์เพราะมาติดกับกายแล้ววันเดาอยู่เป็นนิดเป็นสริงหน้าเกลียดไปด้วยกันไม่หลงไม่หลงในความงามเออผ้าชุดนี่ชุดนี้มันสวยชุดนี่ไม่สวยไม่หลงเอามาปิดเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดคนล้วอายเท่านั้น ไม่มีอะไรที่จะเหนือความจริงไปได้เพราะสาวงามมาช่วยแล้วหญิงงามมาช่วยเทพที่ดา8ปดหมนสีพนามาช่วยเมื่อใดความไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นปัญญาเป็นมรรคเป็นผลแทนที่จะหลงอยู่กับความไม่เที่ยงแทนที่จหลงยู่กับความเม็นทุกข์แทนที่จะหลงอยู่กับความไม่ใช่ตัวตนมาเป็นประโยชน์ เราหลงอ่ะเอามาเป็นประโยชน์เอามาเป็นตัวรู้ถ้าไม่มีตัวรู้ไม่เห็นหลงถ้าไม่มีตัวหลงไม่เห็นรู้เอามาอยู่ด้วยกันอ่ะอยู่คนละหมมมันอยู่ด้วยกันเราจึงขอบคุณความหลงขอบคุณที่มันเกิดอาการต่างๆมากมายหลายอย่างที่กายที่ใจเราเนี่ย ได้ศึกษามันได้เห็นมันได้ถดลุงมันได้ย่อยมันแต่ย่อยมันออกเห็นทุกยิ่งดีอหญเอาชนะทุกที่ใดในเปลี่ยนเป็นไม่ทุกเห็นมาแล้วมันหนําใจยิงๆเห็นตัวทุกเนะ่ยเหมือนหลวงปู่เทียนแต่ก่อนท่านไปปฏิบัติธรรมท่านสม บ, บุรีพอท่านมาเห็นรูปนามเห็นทุกเนี่ยบุรีเป็นบุรีเมืองลรา สูบดีด้วยหลวงพ่อเคยสูบบุหรี่บางลาเจาแปนนั้นหลวงพ่อไปปฏิบัติใหม่ๆสูบบุหรี่อยู่ที่ป่าบปริยงเป็นโยมอยู่แล้วมีตำรวจคนหนังไปลบเมืองลาส ม, สมัยสงครามมีโดนกีนเอาบุหรี่มาถวายสิหวันมาข้างหนังกับมาบ้านข้างหนังแล้วเอบุหรี่มาเป็นห่อๆมาถวายเรา ก็บอกว่าจะเลิกแล้วไม่ต้องเลิกหรอกผมจะเอามาให้เองไม่ต้องไปซื้อเขาเอามาบอกไม่ได้เขาก็มาเขาไม่ไม่สูกอ่ะไม่สูกก็กองไว้พอเลิกได้เดืขาดเป็นเดือนละบริลีมันก็กองใหญ่เขายกออกมาให้เขาเขาก็เขาก็หน้าเสียดไปเออเนะเราก็มาเลิกได้เลาเพื่อเทียนเหมือนกันเราเพ่อเทียนเนี่ย เห็นทุกข้อมาเจ้าบุรีมาสุบก็เลยบอกบอกตัวเอว่าเอ้ามึงอยากสุบบุรีหรือเอามึงไปสุบเอาโอ้ยสุบไม่ได้แล้วทําไม่อนุญาตเอากูจะอนุญาตให้มึงไปเอามือมึงก็ไปจ้าบ้าบุรีสุบสุบไม่ได้แล้วทําไมอนุญาตให้อมเสก่อนเอากูจะอนุญาตให้มึงอมบุรีลองดู เเอาสูบมันก็มันก็บอกว่าสูบไ่ได้ถ้าไม่มไม่ฉีดมาต่อบุรีเนอวมันก็กว่าไป่หลวพ่อเทียนก็ตรัสอย่าไอชาติหมามึงไม่รู้อะไรเกิดมาตั้ง4ี่สิบหปีมึงไม่รู้อะร่รมึงเป็นคนชาติชั่วเร็วสามที่สุดทั้งทั้งที่บุรีนั่นเป็นประโยชน์สมน้ำหน้ามึงแล้วบัดไอ บุหรีไอ้มึงไอ้ีมันติดบุหรี่มึงสมน้ำน้ำไม่ว่าหน้ำใจนะเอาชนะได้จริงๆไม่ได้อดเลยนี่พอเห็นทุกข์มันยอดเยี่ยมมากเห็นทุกข์เห็นนั่นไปเสิะเราเห็นความหลงเราเห็นความทุกข์เราเห็นความโกรธหลุดพ้นเล็กๆน้อยๆไปวิมุตตาโนจารียะพ้นไปเล็กๆน้อยๆไป เนี่ยมันจะไปทางนี้ไปอย่างนี้ทางไปสู่มรรคผลนิพพานมันหลงก็รู้เนี่คนแบบความหลงไปแล้วเป็นมรรคแล้วดําเนินถ้าไม่ดูอยู่ก็ดเดินไปอยู่ถ้าเป็นหยุดยเคยไปเป็นสุขเป็นทุกข์เราหยุดแล้วแม้เดินจงกรมอยู่ก็ถือว่าท่านหยุดหยุดอะไรหยุด หยุดอยู่กับความสุขความทุกหยุดอยู่กับความหลงความโลภความวิตกการวนมเศร้าหมองมันหยุดแล้วไม่ไปถึงไหนยังอยู่บางทีถอยหลังไป เ, เพราะนั้นจึงเห็นมันเนี่ยมันเป็นการไปข้างหน้าไปข้างหน้าเรียกว่าเห็นแต่ว่ารู้รู้จึกตัวดูมันเนี่ยเห็นนจะไรเมื่อเกิดอะไรขึ้นเห็นมันรู้จึกตัวกลับมา มีสติกำหนดสติเรื่อยไปนะเดินไปนั่งอยู่ก็ถือว่าได้เดินไปแล้วคนไปแล้ว ไ, ไปแล้วภิกษุยืนอยู่ก็าตามนั่งอยู่ก็าตามนอนอยู่ก็าตามถ้ามีสติผู้นั่นเลยว่าเป็นผู้พอรบผอมเพียนภิกษุใดคุณคิดในลมที่คุณคิดแม่เธอเธอหลงไมร้รู้แม่เธอเดินอยู่เธอ ทำอะไรอยู่ถือว่าบุคคลผู้เกียรติข้านเอาความรู้ความหลงเนะ่ะเป็นคนเกียรติข้านความขยันความหลงเป็นคนเกียรติ้านความรู้จึกตัวเป็นคนขยันความขยันแบบนี้เอาอะไรมาอ้างนะเอาความแก่เอาความหนมุ่มเอาเพศเอาวัยหรือเอาลทัทธิของในกายหรือเอาศาสนาหรืเป็นเครื่อง้างตัวรู้ตัวห ล, ลงเนะ่ยไม่มีเครื่องอ้าง มีแต่ว่าจะทําให้มันถ้ามันหลงกับรู้เนี่ยหนุ่มก็ทําอย่างนี้แก่ก็ทําอย่างนี้จะบวชหรือไม่บวชก็ทําอย่างนี้จะเป็นรทดีใดก็ทําอย่างนี้ที่นี่ไม่ใช่เพื่อเป็นเจ้ารทดีอะไรเลยท่านนั่นแหละจะเป็นรทดีของท่านเองไม่ใช่เพื่อพวกพ้องบริวารมากๆากไม่ใช่เลย ใจว่าพวกเรามาช่วยกันมาร่วมกันปฏิบัติร่วมกันดูร่วมกันเห็นให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือการปฏิบัติธรรมเน่นะเราจึงสบายไม่มีอะไรขวางกัน้นไม่มีอะไรเป็นอ่าเล่อุบายเทว อ, อะไรเป็นความสบายสบายนะการปฏิบัติธรรมน่ เพราะท่านาจะรู้เองท่านจะสอนตัวท่านเองอท่านจะเป็นผู้เลื่อนฐานะของตัวเองจากคนเป็นคนเป็นมนุษย์ขึ้นมาใจสูงกว่าเก่าแต่ก่อนใจมันต่ำอะไรก็ทับผมความรักความช่างความโลภความกดความหลงความจุความทุกข์ถมง่ายบัด น, นี้พอรู้จากตัวมันถมไม่ค่อยได้แล้วบัดก็เลยสูงขึ้นมาหน่อยนะึงเลื่อนฐานะขึ้นมา จนมาถึงความเป็นพระประเสริฐกวกเก่าพระคือชีวิต ท, ที่ประเสริฐนั่งอยู่เนี่ยไม่ต้องกำจัดเพศไปเครื่องงงง ม, มเอาความประเสริฐของชีวิต ท, ที่ฝึกฝนมาดีบริสุทธิ์ไม่เปิดไม่เพื่อนกับสิ่งใดนะฮะสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยจึงเป็นว่าสามัญญาลักษณะเสมอกัน ยังไม่มีเจ้าระทิอะไรไม่มีพวกฟ้องบริวารอะไรเป็นของเสมอกันถ้ามาถึงตรงนี้แเราก็ไปช่วยกันด้ช่วยกันได้ลักษณะกา ร, รสอนที่เป็นโอวาทเป็นโมกยอ่ยอๆละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์เราละได้เราทำดีแล้วแล้วจิตของเราบริสุทธิ์แล้วยังยังจะ ต, ต้องไปสอนคนอื่นให้เขาละความชั่วให้เขาทำความดีให้เขาทำจิตบริสุทธิ์ ไปสอนต่อๆไปอีกหยุดไม่ได้ตรงนี้หยุดไม่ได้ถ้าใครมาเข้าใจตรงนี้หยุดไม่ได้ต่อท่านจะเป็นคนที่เพื่อเดินเวงเหมือนเหมือนท่านว่าศาสนาพระศีอลอริมหิตใจหูหนวกได้ยินผมเดี <c> ๋ <oughs> ลองข อ, ของหูหนวกเลยไม่ได้ยินนะอะหูหนวกแบบนี้ไม่ได้ยินหูหนวกได้ยินได้ตาบอดมองเห็นได้ คนขาติดเดินได้ขาติดเดินได้ตาบอกเห็นทางได้หูหนวกได้เห็นได้ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรจึงเป็นเนะ่ยหูหนวกคือฟังไม่รู้สม่ไก่อนไม่มีใครหูหนวกเท่ากับบุคคลไม่ยอมฟังเสียงอะไรแ <c oughs> <c oughs> บบนี้มันรู้ใครจะสอนผิดใครสอนถูกรู้หูมันดีกว่าเก่าอ่าหูดีกว่าตาบอดแต่ก่อนเราไม่ เรามองอะไรไม่รู้หรอกไม่มีมิเตอร์วัดชีวิตรเราไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้สุกรู้ถูกถูกครอบความอยู่เลยปั๊ดนี้มีมิเตอร์เหมือนยางหวนดูไฟมีมิเตรอร์ขึ้นเช่นเช็คลำโพงถ้ามีมิเตอร์ขึ้นลําโพงยังไม่ขาด ถ้าเช็คอมเมเตอร์เช็คลำโพงไม่ขึ้นเข็มไม่กระดุกกระดิกตัวเสียแล้วถ้ามันรู้สึกตัวมันมีเมเตอร์ในใจแล้วปากใบพูดได้เลยอาติดเดินได้ไปสั่งไปสอนใครที่ไหนแจกของตรงตะเกียงไปไม่ต้องมีคำสั่งจากมหาเถระสมางผมไปเลยอนะ ขาติดแต่ก่อนมันไปไหนไม่ได้วังอาวาตบริโพธิ์วางยมบริโพธิ์วงอาหารบริโภธ์ติดอาวาาติดยมติดอาหารติดที่อยู่พอมันขามันดีแล้วมันเดินได้ไปแล้วว่านะนะเป็นอย่างนี้ขาติดไม่ใช่ขาแต่ติดอาจารย์กระพนเดินไม่ได้เราเีย น, นเปีเ้ยะมันพิการแต่ว่าท่านพูดได้ออนะนะ มันเลื่อนถาราะไปแบบนี้คำว่าาภูมิของกิจภูมิของธรรมพบภูมิมันเก่ามั น, มนดับไปแล้วมีพบภูมิมันหม่เป็นมนุษย์ขึ้นมาใจสูงเป็นพระขึ้นมาใจบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองนี่เป็นยัเอาเอาคุณธรรมเทพมันเกิดขึ้นพาให้พ้นไปจากปัญหาต่างๆ ไม่มีใครเลยเรียกว่าอาเรียบบุคคลอเรียบเจ้าในเราปฏิบัติขน า, างนี้เนาะก็ อ, อย่ารีดตัวเองเกินไปนะมันจะเครียดมันจะยากอย่าอยารู้อยากเห็นทําสบายๆเวลาทําความเปลี่ยนี่อมยิ้มไว้ในใจไม่เป็นไรมันหลงก็ไม่เป็นไรมันรู้ก็ไม่เป็นไรเป็นสุขขาปฏิปทาทันทะปิญญารู้ไดง่าย ทำใจดีๆเช่นเราจะทำอะไรถ้าเราใจดีๆวางตัวดีททำอะไรก็มักไปได้ทำอะไรก็มักไปถ้าเราตั้งใจไปไม่ถูกถ้าผิดก็ผิดถ้าถูกก็ถูกเอาความถูกหลังเกียรความผิดเอาความสุขหลังเกียรความทุกข์ไปซะถ้าเราตั้งใจดีๆมีสติดูไปเนีน่ยพัจจะกง่ายมันจะง่ายนะ มันจะดีไหมหนออันหลวงพ่อเนี่ยว่าเสียงลล่นมันเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันปากพูดออกไปไมันเป็นมือบือบัวเก่าเหมือน ค, คนลังมือนะใช่ไหมรู้เรื่องไหมไม่คิดน้อยอ้าวก็จบแค่นี้อาจารย์ดวงิอาจารย์ยิค